สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตสุภาษิตในเช้าวันนี้อยู่ในบทที่18ข้อที่1 5บหถึงสินะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าใจที่มีความคิดย่อมหาความรู้และหูของป ร, ราดแสวงความรู้ของกำนันของผู้หนึ่งผู้ใดย่อมเปิดทางให้ผู้นั้น และนำเขามาถึงคนใหญ่คนโตบุคคลพูดถแถลงคดีของตนก่อนก็ดูเหมือนเป็นฝ่ายถูกจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาสอบสวนเขาการจับฉลากก็ททำให้การทะเลาะสิ้นสุดและตัดสินคู่โต้แย้งที่มีกำลังพี่น้องที่ได้รับความช่วยเหลือก็เหมือนเมืองที่เข้มแข็ง และการทะเลาะวิวาทเหมือนดานที่ป้อมปราการพี่น้องข้าพจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้เตือนเราครับให้เราที่จะเป็นคนที่หาความรู้เราต้องเป็นคนที่แสวงหาความรู้เพื่อที่เราจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีสติปัญญาพระคัมภีร์ใช้คาว่า seek ซ, ซึ่งแปลว่าแสวงหา เพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักแสวงหาหรือซิกเกอร์เขาจะมีความรู้สึกว่าไม่เคยหยุดที่จะหาหาสิ่งที่เขารู้ว่าสาคัญที่สุดเขาจะมีความรู้สึกว่าไม่เต็มอิ่มอยู่ตลอดตามใดก็ตามที่ยังมีลมหายใจอยู่เขาจะต้องหาสิ่งที่เขาหาก็คือความรู้ครับเพราะฉะนั้นเ พ, พื่อนพี่ ในข้อที่15จึงบอกว่าใจที่มีความคิดย่อมหาความรู้คือการหาความรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเพีาะนัครับเราลองมาดูชีวิตของเรามีบางคนนะครับก็เป็นนักสแสวงหาแต่ไม่ใช่ความรู้สแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีความหมายไร้ความหมายในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ดูเหมือนว่ามีความหมายมากในชีวิตของเขายกตัวอย่างเช่นเงินทอง ชเสียงเกรติยศหลายสิ่งหลายอย่างครับเขาเป็นนักสแสวงหาก็จริงแต่ว่าไม่ได้สแสวงหาความรู้แสดงว่าตามพระบัญญัติข้อนี้บอกว่าคนนั้นไม่มีความคิดไม่มีความคิดแบบไหนครับไม่มีความคิดแบบประจาววลีต่อไปก็บอกว่าหูของปราดสแสวงหาความรู้ก็หมายถึงว่าหูนะครับเป็นอวัยวะที่ทําให้เราได้ยิน เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่แสวงหานั้นเขาจะเปิดหูครับหูของเขานั้นก็จะมีไว้เพื่อที่จะหาความรู้ความรู้คือสิ่งที่จะตอบคำถามชีวิตของเขาได้ความรู้คือประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาได้ความรู้นั้นเป็นที่มาของความคิดครับและในขณะเดียวกันทำให้เขาฉลาดเขารู้เพราะฉะนั้นเขาเปิดหูของเขาออก เราจะสังเกตนะครับว่าคนที่ฉเฉลียวฉลาดเนี่ยเขาจะไม่พูดมากครับเขาไม่หยุดในการแสวงหาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสวงหาความรู้ในเรื่องของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระกัมพีเขาไม่เบื่อเรียนพระกัมพีเขาไม่เบื่อฟังคำเทศนาะเขาไม่เบื่อที่จะถามคำถามในพระกัมพีพี่น้องครับชีวิตของคนเหล่านี้จะเหมือนกับชาวเบโร อ, อาครับชาวเบโรออานี่ได้บันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่17 พระรมบทบทที่17บเข้อที่เนะครับพระมพีบอกว่าเขาเป็นโนเบิลแมนโนเบิลแมนก็คือว่าถ้าแปลตามตัวอักษรนะครับก็แปลว่าเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสุ ข, ขุมเป็นขุนน้ำขุนนางทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นชาวเบราอา น, นั้นถูกยกย่องในพระมพีว่าพวกเขาเนี่ยตรวจสอบพระมพีทุกวันว่าจะเป็นเหมือนดังสิ่งที่ อักขะทูตเปาโลสอนเขาหรือเปล่าข้อต่อไปครับของกำนันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของกำนันเรารู้ว่าของกำนันนั้นมีพลังอํานาจครับของกำนันนั้นมีพลังอํานาจทั้งในทางที่ดีและทางที่ชัว่วร้ายของกำนันนั้นถูกใช้เป็นศินบนเพื่อให้ผันแปลความยุติธรรมได้แต่ในทางกลับกันอีกทางหนึ่งก็อย่อมถูกใช้เพื่อเป็นตัวแทนของความรักความปรารถนาดีต่อการละกันได้ พี่น้องครับของกำนันในวันปีใหม่ก็มีแบบเดียวกันครับเป็นแบบเดียวกันก็คือว่ามีสองความหมายความหมายทั้งดีทั้ ง, ท, งทั้งลบครับเราเอาของกำนันไปให้ผู้ที่มีพระคุณแสดงว่าเรามีความรักความปรารถนาดีต่อท่านเหล่านั้นหรือในทางกลับกันครับถ้าหากว่าเราใช้ของกำนันหรือของขวัญเพื่อให้ผันแปลความยุติธรรมเพื่อให้เข้าข้างเราเพื่อให้ ทำบังสิมังอย่างเอื้อประโยชน์ต่อเราทั้งทางตรงและทางอ้อมของกำนานนั้นก็กลายเป็นสินบนตราบใดที่ของกำนานนั้นไม่ได้จงใจให้ผู้รับกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือยังประโยชน์หรือข้อได้เปรียบใดๆให้กับผู้ให้ตราบนั้นไม่เรียกว่าสิลบนแต่ว่าเรียกว่าของขวัญหรือการสมนาคุณหรือรางวัลพี่น้องขาพจนะของพระเจ้า ได้ทำให้เรารู้ว่าการให้ของกํำนันนั้นก็ไม่ผิดแต่การให้สินบนผิดครับเพราะฉะนั้นตามนิยามของคําว่าศินบนก็คือติดสินบนนะครับไม่ถูกต้องแน่นอนที่นี่ทําให้เรารู้ว่าตราบใดนะครับที่เราทําการติดสินบนตราบนั้นคือความบาปครับการติดสินบนนั้นเป็นบาปนะครับทั้งผู้ให้ศินบนและผู้รับสินบน พี่น้องลองเปิดดูในพระธระปปปรมอภยยบบทที่23่ข้อแนะครับอภยยบทที่23่ข้อแชัดเจนครับเฉลยธรปปรมบัญญัติบทที่16บหกข้อสิก็ชัดเจนครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16บหข้อที่สิชัดเจนครับการติดสินบนนั้นและการรับสินบนเป็นบาปทั้งผู้ให้และผู้รับพระเจ้าให้พอพระทัยและจะถูกลงโทษข้อต่อไปครับคนที่ชิงพูดก่อนมักดูเหมือนจะเป็นฝ่ายถูกคนที่ชิงพูดก่อน มักดูเหมือนจะเป็นฝ่ายถูกพี่นุชครับตรงนี้ก็อีกครั้งหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของคําพูดครับใครก็ตามนะครับอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษ า, ถาแถลงคดีความของเขาก่อนฟังแล้วก็น่าจะถูกแต่จนกว่าจะต้องได้ยินคําจากจําเลยครับฝ่ายตรงข้ามจะมาสอบสวนเขานั่นหมายความว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นจะมีการคาพูดหรือเหตุผลอีกฝั่งหนึ่งที่จะหักล้างหรือว่าพิสูจน์ ว่าตัวเขานั้นพูดจริงหรือพูดเท็จเพราะฉะนั้นการดูเหมือนเป็นฝ่ายถูกนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาถูกแล้วนะครับเราจะต้องฟังฝ่ายตรงข้ามที่ถูกกล่าวหาถึงจะเรียกได้ว่าเป็นความยุติธรรมการตัดสินใครโดยไม่ฟังความของอีกฝ่ายหนึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่มีอคติบิดเบือนความยุติธรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนเรานั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟังคนข้างๆ คนแนวคนเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟังคนที่คอยเอา อ, อกเอาใจเราถูกใจเรานะครับเราจึงควรระวังเป็นอย่างยิ่งครับที่จะไม่ใช้ความอคติในการดูแลคนในการตัดสินคนในการบริหารจัดการในการตัดสินความเมื่อเราได้ยินคำวิพากษ์วิจาร์คำนินทาว่าร้ายหรือคำใส่ร้ายป้ายสีผู้ที่มีสติปัญญานะครับยอมพิสูจน์ทุกสิ่ง และตั้งอยู่บนความดีงามและถูกต้องชอบธรรมอันนี้ก็สามารถที่จะอ้างอิงพระคมภีได้ครับหนึ่งเทซาโลนิกาบทที่หข้อสครับหนึ่งเทซาโลนิกาบทที่5ข้อได้พูดถึงว่าเราจะต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องหูมีสองข้างฉันใดจงฟังทั้งสองฝ่ายฉันนั้นหู มีสองข้างฉันใดจงฟังทั้งสองฝ่ายฉันนั้นอีกข้อครับสิ้นสุดปัญญาของมนุษย์แต่ไม่สิ้นสุดปัญญาของพระเจ้าพังค์พีพูดชัดนะครับการจับฉลากกระทําให้การทะเลาะสิ้นสุดและตัดสินคู่โต้แย้งที่มีกำลังพังพีผู้ชัดครับถ้ามนุษย์ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครับ ก็ถึงเวลาที่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะแก้ปัญหาพระเจ้าจะสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้ให้ระวังใจและปล่อยให้พระเจ้าจัดการกับเรื่องราวและคนเหล่านั้นเองพี่น้องครับการทอดสลากนะครับที่นี่บอกว่าเป็นการทอดสลากทอดสลากนั้นเป็นวิธีการหนึ่งครับในพระกัมภีเดิมที่จะทำให้การทะเลาะเบาแววงสิ้นสุดลงหรือจะเป็นการถาม ว่าพระเจ้าจะเอาแบบไหนเอาซ้ายเอาขวาเขาก็ทอดครับอูริมและทุมิมก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งครับในการทอดสลากในพระกัมพีเดิมอูริมและทุมมิมนะครับการจัดแยง้งการจัดการกับคู่โต้แย้งที่มีอำนาจนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอำนาจมีอิทธิพลมีเงินนะเมื่อมีปัญหากันมักจะไม่จบครับเพราะว่าเขาจะเอาชนะขะดาขาันกันให้ได้ ต้องใช้วิธีการทอดสลากแต่ในยุค ข, ของคริสตจักรครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ฉลากอย่างพุ่าเพลื่อหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ฉลากในสมัยปัจจุบันอีกต่อไปหลังจากวันเพนเทคสเต้ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์และคําสอนของอาคาัครทูตในสมัยนี้ก็คือพระกัมภีร์นั่นเองได้ให้การชี้แนะและวางมาตรฐานการตัดสินปัญหายัางถูกต้องชอบธรรมไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าสองฝ่ายนะครับพี่น้องครับเขายอมรับกติกาเกิดจากมาตรฐานของพระกัมพีพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกับพวกเขานั้นก็ต้องยอมรับผลของการทอดสลากเช่นกันตรงนี้เองนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าเมื่อตาบใดที่คุณยังยอมรับผลของการทอดสลากคุณยอมรับได้สลากออกมายังไงคุณก็ต้องยอมรับ ชุมชนก็ต้องยอมรับอันนั้นคือพระกัมพีเดิมพระกัมพีใหม่นั้นก็คือใช้พระกัมพีตัดสินครับใช้พระกัมพีตัดสินเมื่อพระกัมพีพูดอย่างไงอยังไงอะไรคือถูกอะไรคือผิดก็ต้องยอมรับเพียงเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องพระกัมพีข้อนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้เราเสี่ยงโชคหรือซื้อหวยแทงลอตเตอรี่นะครับนี่ แต่กำลังให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่และการตัดสินของพระเจ้าที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดข้อต่อไปครับข้อต่อไปได้บอกว่าพี่น้องที่ได้รับความช่วยเหลือก็เหมือนกับเมืองที่เข้มแข็งและการทะเลาะวิวาทก็เหมือนดานที่ป้อมปราการพีอครับเคยได้ยินไหมครับว่ายิ่งรักก็ยิ่งหลงยิ่งเกลียดก็ยิ่งโกรธเมื่อรักใครมากๆเราก็หลงไหลเขาแต่เมื่อเราเกลียดคนคนนั้น เราก็ยิ่งโกรธยิ่งแค้นเขายิ่งมากครับฉะนั้นจงรีบกลับคืนดีและหาทางสร้างความสัมพันธ์กับพี่น้องให้เขากลับมารักเราเหมือนเดิมมีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับศัตรูที่มาทำร้ายทำลายพวกเราเรามีศัตรูร่วมกันครับก็คือมารซาตานความชั่วร้ายเรานะครับ หลายครั้งทีเดียวเราอยู่สบายๆนะครับจนกระทั่งเราหันกลับมาทะเลาะกันเองเราจะกลายเป็นเมืองที่เข้มแข็งได้และมีกำแพงเมืองที่แน่นหนาได้ก็ต่อเมื่อเรารักกันเราคืนดีกันเรากลับไม่มีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมยิ่งกลับมามีความสัมพันธ์กันยิ่งเข้าใจกันยิ่งรักกันมากกว่าเดิมครับเพื่อที่เราจะต่อสู้กับศัตรูได้อย่างเข้มแข็งพี่น้องครับอย่าทะเลาะวิวาสกันหรือเข้าใจผิดกันครับเพราะการกระทําเช่นนั้นก็เหมือนกับ ที่คุมขังหรือคุกขับที่แข็งแรงในป้อมปราการพระกัมพีทำให้เราเห็นภาพครับป้อมปราการที่แข็งแรงก็เปรียบเสมือนกับเป็นคุกครับคนที่ติดอยู่ในความโกรธแค้นขัดเคืองใจก็ไม่มีวันออกได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจและน่าสงสารใครก็ตามที่ติดคุกความคิดติดคุกทางอารมณ์นะครับติดคุก แห่งความขมขื่นก็ออกยากครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีกำลังที่จะหลุดออกจากการผูกมัดหรือการติดคุกเป็นธาตุของอารมณ์นะครับเป็นธาตุของสิ่งต่างที่ไม่ดีผูกมัดเราและทำให้เราเนี่จะต้องเป็นคนแบบแบบนี้ตลอดไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับและเสริมกำลังเราในการที่เราจะเป็นคนที่ พระเจ้าผอพระไทยและอยู่ในนามาไทยของพระเจ้าตลอดไปในปีใหม่2017นี้อาเมน